เราจะฟังธรรมกันฟังธรรมแล้วก็ยังให้ใจเกิดกุศลเนี่ยสำคัญคำนี้ด้วยและกุศล น, นี้ก่อให้ถึงปัญญาด้วยที่บม อ, อนิสงใดก็ไม่ใหญ่เท่ากับการให้ทรรมเป็นทานที่โสัพพะทานหนังธรรมทานหนังชินาติ การให้ทมเป็นทานชื่อว่าเป็นการให้อันสูงสุดในบรรดาทานทั้งหลายเพราะว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคกว่าจะได้มาตรัสรู้เนี่ยนะต้องบำเพ็ญในพระชาติมากเลือกเกินแล้วพอตรัสรู้ทมทั้งหมดนะเป็นธรรมแห่งความวิมุติ มีรถคือความหลุดพ้นรมเป็นธรรมแห่งความวิมุตติมีรถแห่งความหลุดพ้นเขาเรียกว่าเป็นโชคดีที่ได้ฟังธรรมก่อนนั้นมีแต่ทุกข์ทุกข์มากไม่รู้จะขอบคุณพระอาจารย์อย่างไรดีจึงจะพูดให้จบบอกขอบคุณพระธรรมและการเพราะผู้ฟังนั้นได้ปัญญาด้วยคำนี้ จึงใช่ว่าเป็นการให้ที่สูงสุดคือให้จนสามารถก่อให้ถึงปัญญาได้และปัญญานั่นเองเป็นแก้วสารพัดนึกของชีวิตนะยมรู้ไหมว่าแก้วสารพัดนึกของชีวิตของเราไม่ใช่คือทรัพย์ภายนอกคือปัญญาอริยปัญญา องค์สมเด็จพระพุิภพระเจ้าตรัสว่านัิปัญญาสมมาอาภาแสงแสงสว่างใดใในโลกล่าณนาภาการนี้เมื่อมาเปรียบเทียบแล้วไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาแสดงว่าแสงสว่างปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาปัโชโต แสดงว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแต่มาเคยเทียบแล้วโยมเข้าไปอยู่ในที่มืดปิดห้องแสงอาทิตย์ไม่ถึงแสงจันทร์เข้าไม่ถึงก็มีแต่แสงธรรมนั่นแหละสองชีวิต ปรากฏอยู่ในถ้ำกลางแห่งดวงจิตอันมืดสนิทในที่มิชิดแต่แสงธรรมเป็นแสงสว่างได้ในทุกทุกที่ในทุกทุกโอกาสและทุกเวลาจึงบากว่าวการให้ธรรมะก็เป็นชีวิตของอาตมาเหมือนกัน อาตมาจะมีความสุขก็เมื่อต่อได้แสดงธรรมเช่นเดียวกันจิตมันก็เกิดความโสมนัสยินดีต่อการให้ทมแล้วก็รู้ว่ามีผู้น้อมธรรมมาปฏิบัติมาประพฤติและทุกคนก็สัมผัสได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีอนิสงส์ ใครน้อมเข้ามาคนนั้นไม่ผิดหวังใครจะเคยผิดหวังในเรื่องใดๆมาในโลกนี้กี่เรื่องก็ตาบแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งท่านจะไม่พบคำว่าความผิดหวังคือสัจธรรมที่ท่านได้คนพบมีแต่จะรู้สึกร้องว่ามันอัศจ ร, รัตตอัศจรัตตที่ ใจเราบอกสิ่งนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนใจเราไม่เคยได้สัมผัสเลยพวกเราอาจจะสัมผัสเย็นร้อนทางกายสุขทุกทางใจแต่เรายังไม่ได้สัมผัสคำว่าใจที่สว่างใจที่อิ่มเอิบไปด้วยธรรมอันเป็นสิ่งที่เรากำหนดรู้ที่เป็นปรมาธม คือมันเหนือจากเนื้อหนังมังสาเหนือใจเอ็นกระดูกไส้น้อยใหญ่แต่เป็นคุ ณ, ณธรรมค่าล้ำเลิศประเสริฐยิ่งเป็นสัตว์จริงทุกอย่างอย่าวางเฉยเมื่อพบแล้วรัฐตรณนะยาละเลยทำเมินเฉยหมดโอกาส พลาดของดีเพราะในร้อยปีของมนุษย์ก็คงไม่ยาวเกินในต้องมาแก่เจ็บเสียเวลากรมาหลับนอนกินดื่มอาบถ่ายในจำนวนร้อยปีที่เราจะทำประโยชน์หาสาระจริงๆไม่เกิน4ี่สิปีนอกนี้หักลบคูณหารแล้วต้องมาเสียเวลากับเรื่องธรรมาหากินอีก เรื่องธุระอีกเรื่องประชุมเรื่องไม่ว่างอีกเรื่องต้องป่วยไข้เรื่องต้องเยี่ยมคนนี้เยี่ยมคนนั้นอีกในต้องหลับนอนพักผ่อนในเรื่องคนอื่นอีกกว่าจะมีคาว่าเรื่องที่เราจะได้สแสวงหาทมเนี่ยนะผู้ไป็นพุมมาลดเหลือยี่สิปีไม่ทราบจะถึงหรือเปล่าเอาแบบเนื้อๆนะเนื้อ กลัวจะไม่ถึงอีกยี่สิบปีผู้ไปพูดมาไม่ถึงมวลเสียเวลาไปเที่ยวอีกลดเหลือสิบปีให้แค่นี้แต่มาไม่ให้เกินกว่า น, นี้ในช่วงระยะสิบปีแต่กว่าเราจะรู้ต้องถามว่าจิตบอบช้ำไปเท่าไรความทุกข์มันทับถมและโหมกระหน่ำมาเท่าไหร่ กว่าเราจะยกระดับจิตของเราเหมือนจิตที่เริ่มแรกเกิดให้ปกติเนี่ยไม่สาว่าห้าปีในสิบปีที่บอกไว้เนี่ยเราสามารถยกจิตขึ้นมาคือดั่งเดิมได้หรือไม่เห็นไหมนี่เหลือห้าแล้วนะและอีกห้าปีเป็นการสแสวงหามรรคผลจริงๆ ดูพระพุทธเจ้า29พระพรรษาเสด็จออกบรรพชาหปีผ่านมาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นแสดงพระธรรมแสดงความเป็นพระพุทธเจ้านำทำคำสอนในตรัสรู้และก็มาบอกต่อเวนรรัสัตด้วยพระปัญญาที่คุณ ด้วยพระบริสุทธิคุณและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอีก 45, ส5สห้าพรรษายมดูแม้แต่พระพุทธทเจ้าใน8ปบใช้อย่างมักผลจริงๆส5บพระพรราที่เกื้อกูลต่อชีวิตสัตว์โลกเปิดโลกแห่งพระมักขา เพราะในภูมิของเทวดาของพรมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทตั้งแต่เป็นพระเต ม, มีลไบ้มาแล้วทาฌานมีเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเจ้าชายก็มาบวชแล้วก็สร้างอาสมอยู่ทำฌานสู่พร ม, มาโลกก่อนนั้นแล้วนะที่ยังไม่ได้อุบัติลงมาเพื่อตรัสรู้ก่อนนั้นในพระชาติ ก็มีสุคติอยู่แล้วสวรรค์พรหมโลกเนี่ยพระองค์ก็ท่องอยู่แล้วแต่พอมาในพระชาติสุดท้าย 45,000 ษาแสดงเรื่องโลกแห่งพระมักขาล้วนๆให้เห็นโลกุตระธรรมโลกุตรจิตจิตอันเป็นธรรมไม่ใช่ตัวตนธรรมอันเป็นจิตที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งใดเกิดขึ้นดับ มีแล้วเสื่อมพบแล้วจากเจอแล้วสลายแต่ใจนี้ต้องว่างไม่ใช่ใจสลายของพวกเราหัวใจสลายแต่ของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ใจว่างมันต่างกันนะใจที่สลายหัวใจสลายมันเหมือนย่อยยับนะ แต่กับจิต ท, ที่ว่างเปล่าจากความมั่นหมายในสุขทุกข์และตัวตนตั้งแต่อริยบุคคลเริ่มสัมผัสคำนี้นะและก็เริ่มจับต้องได้ว่าเออทำเป็นเช่นนี้ฉะนั้น 45, สี่สิบห้าพันษาพระองค์แสดงถึงอริยมรรคอริยผลแต่ก็แสดงอยู่บ่อยเรื่องอนุบุพิกต า, าชี้อนิสงฆ์แห่งทานศีลภาวนา ชี้ถึงอนิสง์แห่งสุกติมีสวรรค์เป็นตนพมโลกแล้วก็ชี้อีกในโลกียวิสัยการพังพร้อมอยู่ด้วยกรรมมาคุณในความสุขแห่งกรรมมคุณในที่สุดก็ไม่เที่ยงและไม่ได้พ้นทุกเธอจงยกจิตนี้ให้อยู่เหนือความติดอยู่ในกามคุณเลยให้ออกมา จะติดอยู่เลยให้ออกมาอย่างน้อยยศกุลบุตรก็ได้ฟังแล้วบรรลุผู้เป็นบิดาของยัศฟังครั้งแรกก็บรรลุโสดาบันเหมือนกันพอย้ำอีกครั้งหนึ่งยศอรหัตก็แสดงว่าสุกติพอมีปัญญาก็ไม่ได้ติดอยู่กับสุขที่ท่องอยู่ในภูมิน้อยใหญ่ แต่บารมีอินทรีย์ต้องแก่กล้านะแต่มาถามกับใครไม่ต้องการสุขยังไม่มีใครอาจหารพอที่จะตอบและต้องเข้าใจด้วยทำไมพระพุทธเจ้าจึงสละความสุขการพรั่งพร้อมอยู่ในโลกียสุขโดยเฉพาะกรรมมคุณห้าเพราะ พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาไม่ได้ปรารถนาหยุดอยู่เพียงกรรมคุณและสุขของโลกีวิสัยต่อให้เอาอำนาจความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นไม่ใช่ทางเพราะขนทางนั้นไม่เป็นไปเพื่อโลกุตระจิตไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ให้จบอยู่ตรงนั้น ฉะนั้นใน45พระพันศาที่แสดงธรรมมาประกาศพระสัทธรรมมาแล้วก็สืบสายยาวต่อนเนื่องกันมามีผู้รับสืบอายุพระพุทธศาสนาจนมาถึงบัดนี้และยมรู้ไม่ว่าทำไมปัญญาของเราจรึงไม่บริบูรณ์ ทำไมจิตของเราไม่มั่นคงทำไมเราไม่รู้แจ้งในพระสัตว์ธรรมเพราะอะไรเพราะตัวตัณหาอาวิชามากางกั้นไว้เราจรึงออกไม่ได้โลกคือหมูสัตว์รู้เปล่าถูกอวิชชาห่อหุ้มเอาไว้หุ้มห่อเอาไว้ดูฟองไข่มันหุ้มแต่ ไข่ฟองใดที่สามารถฟักออกมาเป็นตัวและเอาชงอยเนี่ยกระเทาะให้เปลือกไข่นั้นแตกและออกมาได้จากฟองไข่นั่นก็เป็นการประกาศว่าเราได้ชีวิตใหม่ได้อิสระได้พ้นแล้วจาก ในฟองไข่เหมือนกับโลกที่ห่อหุ้มเราไว้ฉันพวกเราไม่ใช่อยู่ใต้โลกของกิเลสเราต้องบำเพ็ญภาวนาให้อยู่เหนือโลกของกิเลสโดยเฉพาะโลกทั้งหมดก็มารวมที่ใจคือโลคใจทำอย่างไรให้เราออกจากใจนี้ไม่หมุนเวียนกลับมา เหมือนพระโสดาบันที่ท่านบอกเป็นผู้มีกระแสไม่ไหลกลับเหมือนไม่ไหลกลับนั่นกป็หมายถึงว่าเราใช้พบแล้วพบนั้นหมดไปเราเสวยกรรมวิบากพบไหนพบนั้นสิ้นแล้วสิ้นเลยจะไม่วนเวียนหรือเรียกว่าโกงเกวียนโกงกรรมกงกรรมกงเวียนเนี่ย ทำลายสังสารจักรแห่งการหมุนเวียนได้หยุดในวัฏฏะแห่งการวนเวีย น, ย น, ต, น, ยนตุมเหฮิกิจจังอาตปังอค า, าตาโรตัทธกตาปฏิปันาปรโมกคันติชายิโนมาระพันธนาพวกเธอจงพยายามทำความเพียรเถิดพระตถาคต เป็นเพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นชนทั้งหลายผู้เดินทางสายนี้โดยปฏิบัติภาวนาก็จะพ้นจากเครื่องผูกของพระยามาเครื่องผูกของพระยามายมฟังสิย้อนเน้นกลับว่าเครื่องผูกของพระยามาอะไรเป็นมานอะไรเป็นเครื่องผูก ผู้ภาวนาต้องกำหนดจิตที่ติดอยู่ในภาะวะแห่งพะภูมิน้อยใหญ่อะไร ใ, ใจของเราที่ถูกครอบงำอยู่ใจเดือดเดือดร้อนเดือดดานเร่าร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านรำคาญใจและหลงเคลืบอเครืมอยู่กับสิ่งนั้น ติดอกติดใจเสียอกเสียใจพอแล้วเดี๋ยวชีวิตที่เหลือห้าปีที่บอกไว้นะมันจะไม่พอต่อการทำความเพี้ยนดูเหมือนว่าเชื้อเพลิงจะไม่พอที่จะทำให้ไฟนั้นลุกไหม้และที่จะเผาผลาญกิเลสน้อยใหญ่ ไฟแห่งความเพียรเรานะต้องมีเจ็บเวลาปฏิบัติมันจะมีมาอีกนะเดี๋ยวเจ็บนั่นปวดนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมีกรรมวิบากเข้ามาดึงอีกนะดึงอีกสมาบ่อชีวิตเป็นเรื่องจริงไม่ได้โปรยไปด้วยกรีกุหลาบสีแดงไม่ใช่คุนชื่อว่ากุหลาบ ก้านมันก็เป็นหนามแล้วต้นมันก็เป็นหนามมาชื่นบานอยู่ที่ดอกก็มาว่าคิดให้ดีคิดให้ดีไม่พิจารณาหลงใบขครย่ำแล้วก็เจ็บนะแม้ดอกเฟื่องฟ้าคิดหรือว่าไม่มีหนามโอ้โหไปจับ ด, ดูไม่ได้พิจารณาโดนโดนโด น, โดนฉะนั้นเรา ต้องมีความอุตสาหะบากบันเพื่อหาโอกาสเวลามาภาวนาจิตของเราให้อยู่เหนือความเจ็บปวดแต่มาพูดดลนชีวิตเกิดมามีความเจ็บปวดนะแต่ใจไม่มียานอกจากธรรมโอสถนอกนั้นใจไม่มียา ยกเว้นธรรมโอสดนอกนั้นใจไม่มียาเหลือแต่ธรรมโอสดเป็นเรื่องจริงจริงย้ำให้ฟังถึงสามครั้งไม่มีแล้วทำไมเราจรึงอยู่กับความเจ็บปวดทำไมไม่เดินออกมาก็เดินเข้าไปแล้ว เมื่อเจ็บก็จําออกมาเสียละหรือหยุดการกระทาที่มันตอกย้ำอีกพอนี่คือการภาวนาเป็นมันรู้อดีตทุกเกิดอะไรปัจจุบันก็ต้องห้ามใจจากสิ่งนั้นอนาคตจะไม่เกิดเลยสิ่งนี้เพราะเรารู้วิธีภาวนาและ การรักษาจิตพอรักษาจิตได้เครื่องผูกของพยามาดมันคือความเศร้าหมองของใจอุบกิเลสหรือกิเลสนะ่คือความเศร้าหมองโยมไปดูกระจกนะเอาฝุ่นสาดเข้าปุ๊บแล้วยงมไปยืนดูหน้ามันใสไหม มองเห็นไหมตัวเองเกือบจะไม่เห็นตัวเองคนเวลาเศร้ามองมากๆดูเหมือนไม่มีปัญญาไม่เห็นตัวเองด้วยซ้าไปไม่เห็นนะไม่ได้ดูตัวเองด้วยบางครั้งจิตมันเศร้ามองคิดอะไรคิดไม่ออกแต่พอกระจกใสโอ้โหมันชัดเจนมากเห็นหมดมีฝ้า มีไฟมีกระเห็นหมดดวงตาแววตาหน้าตามองชัดเจนเช่นเดียวกันถ้าจิตของเราผ่องใสสิ่งใดจอนเข้ามารู้เคยพูดบอกรู้นะรู้นะคิดอะไรอยู่น่จริงไม่พูดเล่น แต่คนรู้จริงไม่ต้องพูดเยอะคนพูดเยอะสุนมากฟุง้งซ่านเรารู้ตัวเองคิดอะไรอยู่แสดงว่าภาวนารู้ทันความคิดเอาเข้าท่าแล้วนี่ตรงแล้วตรงประเด็นก่อนจะหมดกิเลสต้องรู้ก่อนว่ากิเลสเกิดอย่างไรก่อนจะละกิเลสต้องรู้ว่าเหตุกิเลสนั้นมีอยู่ที่ไหนสําคัญอย่างนี้ใจ องนันถูกหลอกเขาหลอกไปหลอกมาหลอกมาหลอกไปหลอกไปหลอกมาตัวเองก็ไม่รู้ว่าถูกหลอกกว่าจะรู้อีกทีหนึง่งก็โดนหลอกแล้วก็มานั่งเจ็บเจ็บเข้าไปถึงภายในใจแล้วไม่กล้าบ อ, อกใครด้วยนะแล้วเก็บแบบฝังลึกด้วยนะยากแก่ใครจะขุดได้เพราะมันเป็น อุปนิสัยที่เราเคยมีด้วยศาสวกิเลสเครื่องหมักดองด้วยไม่ใช่อย่ามีอะไรไว้กำหนดดูพอใจใสมันเห็นเห็นความคิดเห็นนิมิตเกิดรู้จิตปรุงแต่งปรุงอะไรรู้สติระลึกได้เบรกห้ามทัน มันต้องฝึกอย่างนี้ด้วยถามจริงทันความคิดหรือที่ภาวนายอยู่รู้ว่าจิตปรุงแต่งท่านสา ม, มารถที่จะข่มสงบระงับอย่างเช่นความโกโรธที่เกิดท่านรู้ทันไหมถ้ารู้ทันความโกโรธเนี่ยมันร้อนท่านต้องทาให้มันดับเย็นลงเขาฝึกกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามั ว, มว ทำมั่วแล้วมันก็ไม่มีหลักพอไม่มีหลักแล้วมันก็เสไปเสมาเดินไม่ตรงเดินไม่ตรงนี่แหละปัญญาญย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มัน่นคงเห็นไหมไม่รู้พระสัตธรรมมีความเลื่อมใสไม่จริงจังตรงกับเราไหมล่ะปัญญาญย่อมไม่บริบูรณ์ แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงฉะนั้นจิตของใครที่ไม่มั่นคงมันสับสนนะสับสนพอเกิดเรื่องหลายๆครั้งเข้ารู้สึกหวั่นไหวละก็บอกเราจะดูบุคคลนี้เข้มแข็งเป็นผู้กล้าหรือไม่ก็ตอนภัยเกิดหรือตอนเกิดภัยจะดูคนมีปัญญาหรือไม่ดูตอนที่เกิดปัญหาเขาแก้ไขอย่างไร บางโอกาสเราต้องการผู้กล้าบางโอกาสเราต้องการผู้ที่มั่นคงบางโอกาสเราต้องการผู้มีปัญญาแต่สรุปตัวเราเองต้องทำให้ได้ครบแต่ใช้เป็นแต่ละโอกาสแต่ละเวลาเวลานี้เราต้องมีความอดทนท่านต้องอดทนให้ได้ ถ้าไม่ได้แสดงว่าใจนี้ฝึกไม่ผ่านจะมาอ้างเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้สรุปว่าใจเราก็ไม่ผ่านถ้าท่านจะผ่านใจใจท่านต้องทนอยู่กับสิ่งนั้นอย่างผู้มีปกติถ้าไม่เช่นนั้นถามว่าฝึกอะไรเราไม่ได้ฝึกกายนะที่นั่งอยู่หรือที่เดินอยู่ไม่ได้ฝึกกาย ไม่ได้แต่งกายที่นั่งอยู่เรากำลังแต่งใจฝึกใจฝึกใจที่เคยพ่ายต่อมาเรื่องอะไรต้องต้องใช้อาวุธให้ถูกอย่างเช่นเขามีอาวุธแบบไหนมาท่านต้องมีอาวุธที่เหนือกว่ามิเช่นนั้นจะไม่พ้นเครื่องผูกของพระยามามันขวางกั้น กิจที่เป็นกุศลขวางกั้นโหนทางอันเป็นมรรคผลเขาทำให้ท่านร้องไห้เมื่อไรเขาชนะแล้วเขาทำให้ท่านโกรธเมื่อไรเขาชนะเขาทำให้เราหลงติดทรัพย์สมบัติได้เท่าไหร่เขาชนะเราเท่านั้นแต่ผู้มีปัญญาเขารู้เขาจึงใช้ทานค่าเสียซึ่งความตะหนีในทรัพย์นำทรัพย์มาใช้ เป็นอริยสัพท์ความโกรธก็ใช้ความเมตตามาแผ่ซ่านลงไปให้ความโกรธนั้นหายกำลังของมารมีเท่าไหร่ก็หมดเห็นไหมมันมีวิธีมีวิธีจิตที่จะวันไบทเราต้องใช้อำนาจเองความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวและทุกอย่างก็จะผ่านไปทั้งดีและ ร้ายจะผ่านไปโยมนั่งอยู่ที่นี่โยมรู้ไหมาอากาศที่ผ่านเรา่วนถ้ามีรถผ่านมามีถ้อยเสียผ่านมามันก็ผ่านกายนี้บางครั้งเราก็ได้สุดดมบางทีก็อากาศดีผ่านมาเราก็สุดดมไม่ใช่่เราปฏิเสธได้ในทุกเรื่องฉะนั้นธรรมะ ยิ่งปฏิบัติเข้าใจเท่าไรรู้จริงพอรู้จริงรู้แจ้งแล้วทำไมคนนี้จริงวางเฉยเขาบอกวุ่นวายทำไมใช่เขาบอกทำไมไม่กโกรธเขาบอกโกโรธทำไมใช่เขาพูดถูกเป็นธรรมะเขาบอกถ้าเป็นฉันฉันไม่ยอมบอกเออเมื่อก่อนฉันไม่ยอมแต่ตอนนี้ ฉันไม่ได้ยึดถือว่ามันเที่ยงฉันรู้ว่านี่เป็นทุกข์ฉันสร้างบารมีอยู่ตอนนี้เห็นมไหมพอคนเอาธรรมะมาพูดมารเนี่ยมายุมันส่งเสริมมาแย่ให้แตกราวกันไม่ได้แม้พระเองก็มารแทรกได้แทรกได้ทั้งทที่พูดธรรมะเนี่ยนะพูดไปพูดมาธรรมะมันเริ่มมีตัวตนนะผูดไปพูดมาเนี่ย จากน้ำลายก็มาเป็นน้ำเดือดได้นะ เ, เดือดโยมก็เหมือนกันแม้ไม่กระทบใครตัวเองก็ยังเป็นมารตัวเองเลยไม่ไหวลนะความเกลียดคร้านมาทำลายความเพียรนะแต่ความเพียรมาทำลายความเกลียดคร้านโยมจะเลือกอะไรเลือกสิห้าปีที่เหลือที่จะสร้างบา ร, รมีเต็มๆนะเลือกเอา เลือกเอานี่จะมาตีให้เยอะแล้วนะบางคนอยู่ไม่ถึงร้อยหลอกนี่ให้เยอะแล้วฉะนั้นเราจะไม่อยู่แบบผู้ไม่รู้จิตเราจะไม่อยู่อย่างผู้ว่างปราศจากธรรมถ้าโยมมีธรรมอยู่กับใจแล้วนะไม่เหงาไม่ไม่หงอยเหงาใจมันไม่เหี่ยวแต่มารู้เลยยิ่งภาวนาไปใจมันไม่เหี่ยว แต่กายมันเริ่มเริ่มเหี่ยวไปเรื่อยๆนะมันเหี่ยวไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ใจไม่เหี่ยวดูนังวิสาขาอยูยไ่ไม่เหี่ยวไหมไม่เหี่ยวอ่ะไม่เหี่ยวอุศนเนี่ยส่งตลอดเลยคนมีบุญนะทำไมยึงเรียกว่าคนมีบุญทําเท่าไหร่ไม่หมดทําเท่าไหร่ไม่หมดคนนี้ไม่ขัดสน ใช้เท่าไรก็ไม่หมดบุญต่อบุญบุญส่งบุญเหมือนน้ำที่เจอตาใหญ่มองมีเท่านี้พอตักดูสิไม่แล้วพอตักออกหม่แล้วไม่หมดแต่คนนั้นต้องสำเร็จด้วยทานอเมายแล้วนะจนเป็นทิพย์ได้ทั้งชีวิตมีอยู่เนี่ยมันเหมือนมีสิ่งมาเนรมิตให้ แต่คำนี้ไม่ง่ายนะบุญเราต้องถึงจริงๆเป็นบุญใหญ่จริงๆนะและรับรองได้ทำเถอยมาทำถ้าว่าจะขาดจะหมดมาไม่ต้องห่วงถ้าถึงบุญจริงๆนะแต่ถ้าบุญกรรมยังนำแต่งวิบากรรมที่ยังขัดแย้งกันอยู่มันจะหายเป็นช่วงๆไปไอ้ที่จะได้ก็กลับไม่ได้ ไอ้ที่ดูว่าไม่น่าจะได้ดูสิได้มันยังเป็นห้วงหวงแสดงว่าเราทำขาดช่วงไม่ต่อเนื่องไม่มัน่นคงอย่างอนาบินิการเศรษฐีเขาทำทานไม่ขาดทำจนแม้แต่ดูว่าทรัพย์ของตนร้อยรอไปจนดูเหมือนทรัพย์หมดแล้ว แต่บุญเขาถึงแต่มาบอกไงเลยยกให้ฟังแม้เทวดาบอกจะเอาเงินเอาทองมากองให้เหมือนเดิมหยุดทําทานเถอะเขาบกเทวดาอันดภานเทวดามิจฉาเธอจงไปจะเครื่อนของเราไปจะเครื่อนของเราเทวดาร้อนเลยนะภูมินี้เขาไม่ให้อยู่แล้วเจ้าของ อาณนนาบิกฑเศรษฐีเป็นโสนานบันนะยมคิดเนะี่ยเขาจะวันไหวเหลืองกับเพียงทรัพย์ภายนอกในเมื่อภายในเขาเต็มแล้วเขาเห็นโยมโถเขารู้ขณะให้ไปเกี่ยวหญ้าเนี่ยไปรับจ้างเนี่ยนะมีเหลือเคียวอันหนึ่งไปเกี่ยวหญ้ายังเอาย้าไปขายแล้วซื้อผักเสี้ยนดองมาถวายพระอีกยมคิดแต่เป็นพวกเราน้ำตาไหลยังไหลแล้วโถวทำบุญอเนกอ น, นาถจน อดยากลาบากยากจนคนแค้นเรานี้รันทดใจมากแต่ใจของอานามบินิกาศเศรษฐีไม่เศร้าหมองดูท่โยมเดือดร้อนใครผู้มีบุญเดือดร้อนไม่ได้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาอยู่เขาทนไม่ได้ทนไม่ได้บุญเขามีบุญก็ส่งบันดาลทรัพย์คืนกลับหมดทุกอย่างเห็นไหม นี่บุญเขาถึงนะบางคนนึกหรือว่าบุญเยอะมีเงินมีทองไม่กี่วันตายมีแล้วไม่มีความสุขไม่ใช่คนมีบุญนะบางคนมีทรัพย์แล้วมันเหมือนถูกแช่งนะทรัพย์นั้นไม่บริสุทธิ์ทานนั้นไม่บริสุทธิ์บางคนมีแล้วไม่ได้ใช้ทานนั้นก็ไม่บริสุทธิ์มันมีเครื่องผูกไม่อิสระ ไม่มาบำเพ็ญทานบารมีต่อมันขาดช่วงพระขาดช่วงสะดุดฉะนั้นใครที่สร้างบารมีทานจะรู้ได้เนี่ยว่าบุญของเราทานนี้สำเร็จบริบูรณ์แล้วพิสู ด, ดูจะโยมทาที่วันนี้มีสิบทํสิบยี่0ิบสามสิบลองทําดูต่อไหมพิจารณาดูไปแต่ต้องมีปัญญานิดหนึ่งว่าเราทําควรยังไงก็ดู กำลังของเราทำยังไงเราดูทำทำทำแต่มันจะไหลมาตามกำลังบุญนะแม่น้ำสายใหญ่น้ำก็ไหลหลากแรงมันเป็นกฎของมันเองฉนันถ้าโยมเป็นแม่น้ำเล็กมันก็ไหลมาน้อยมันก็เป็นธรรมดาบารมีที่เราสร้างจิตที่เป็นกุศลเพราะ การให้ทานเป็นเรื่องที่มันมันทําได้เร็วด้วยทําได้ง่ายด้วยการรักษาศีลยาง ก, กว่านะเพราะอะไรเพราะต้องมีเจตนาตั้งจริงๆเวลามีคนมากระทบเรายมนึกเ่องศีลเราจะรักษาได้ดีไม่ดียมก็ฉะไปแล้วนะกระชั้นบอกอยามายุ่งกับช้านอย่ายุ่งกับช้านพอหลุดทีนี้มันเป็นเสือตัวใหญ่เลยละ่ะมันเก็บมานาน นะ่ะไม่ใช่ระเบิดมือแตมนนะ่มันมันมีดินอุ่นไห้ด้วยภูเขายังระเบิดเลยทีนี่ตูมไปใหญ่เล ย, ยไปหลายกิโลเลยโกรธหลายวันเลยที่นี่จิตพินาศแล้วนะ่ะบุญขาดไหมขาดกุศลหายไม่หายมานแทกยังเรียบร้อยอำนาจมานคุมแล้วคุมแล้วนะ่ะให้ไหวพระส่วนมนใจมันไม่เอาตอนนั้น เพราะมันอยู่อีกฟากหนึ่งนะยมลองดูวันในยมเกียดคร้านมากนะความเพียร น, น้อยกว่าบางทีเรายินดีกับความเกลียดคร้านเลยละ่ะพอห น, หนักเข้าจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นโดยนิสัยเราเรายังไม่ได้ทวนกระแสดโดยส่วนมากยังไหลาตามกระแสฉะนั้นใครที่จะทวนกระแสดได้เนี่ย หลายเติบคือมันมันเยอะมากกว่าเราจะทําให้ถึงจุดนั้นได้ฉะนั้นอํานาจทานศีลภาวนานเนี่ยและการได้รับฟังธรร ม, มะมาบําเพ็ญปฏิบัติเราจะเริ่มขัดเกลาจิตไปเองนะวันหนึ่งโยมเป็นผู้ตื่นรู้และโยมจะรู้สึกเองนะเวลาจิตมันตื่นเนี่ยมันไม่มีกลางคืนกลางวันแต่ตื่นอย่างนี้ไม่ใช่ว่านอนไม่หลับนะถ้านอนไม่หลับนั้น มันผิดจิดระบบของการภาวนาไม่ใช่ถึงเวลานอนหลับเร็วด้วยนะครึบจิตมันไม่ตกตะกอนไงไม่มีอะไรมาเพิ่มใหม่ในชาติเนี้ยสิ่งที่มันเป็นค่าศึกของใหม่ๆที่จะเข้ามาให้เป็นตันหาอาวิชชานี่นะหรือโลภโกรธลงเนะี่ย มันไม่ใช่เพิ่มนะมันน้อยแล้วน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยจนสามารถเข้าไปกําหนดจิตภายในจิตคืออันนุสัยเก่าโอ้โหพอกําหนดดูโอโ้จิตเราเนี่ยนะมันหนาพอสมควรบางคนภาวนาไปเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกิเลสหนากว่าเดิมแต่มาบอกไม่จริงมันมีมาก่อนนั้นแล้วแต่เรามามีสติระลึกได้จึงรู้ เอาลองลองลองโกรธดูตอนนี้นะสติมันเร็วกว่าเดิมนะเมื่อก่อนอาจจะโกรธเจาะแปดวันนะแล้วก็โกรธแรงด้วยนะพอตอนนี้มารู้สึกพอฉะไปสักครู่หนึ่งก็มันรู้สึกไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมความละอายมีแล้วความสะดุ้ง ม, มีแล้วตัวรู้มีแล้วว่าเออนี่ไม่ใช่ทางแล้วนะ่ะรู้ว่ามานเนี่ยจะไปกับเราไม่ได้แล้ว พอต่อไปมันยิ่งสติมันยิ่งมากกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวตัดกระแสโลภโกรธหลงจะมีกําลังมากขึ้นเอาจริงหงอย่าลืมในโยม ว, ว่าเรามีผัสสะตลอดเลยแค่โยมขับรถเข้าไปในในเมืองเนะี่ยอยู่ๆพวกบีบแตรแป๊ดแป๊มันบีบทําไมะเพราะบีบสองนําที่ชักไม่พูดเพราะนะงุนงิดละดีไม่ดีลงมาต่อยกันก็มี ไม่ได้เงินเลยนะต่อยกรรมการก็ไม่มีท่าล้มและซ้ําตรงนั้นเจ็บไม่ดีไม่คุ้มเลยเอพอเขาบีบแต่พุโทโธเพอเก็บีบแต่พุทธโธพอบีบแต่ก็บอกพุโทโธแล้วไงไมันต้องฝึกไงโยมพอบีบแต่บอกพุทธโธไม่พอไม่เอาทำโมด้วยอา่าเห็นไหมโทษไม่มีแก่เราและเราก็ไม่ไม่มีโทษแก่ใคร จะเคยโกรธจัดใช่ไหมมันมีวิธีนะพอมันบีบอีกก็พุทโทธธรมโสดสังโฆไปเลยน ะ, ะจบเห็นไหมมันมีวิธีถ้าเรามีสติคอยดูจิตเราเรื่อยๆจากที่เป็นเสือตัวใหญ่อ้วนๆเ น, นี่ยนะมันเริ่มเริ่ ม, มขาดอาหารเอา้าเราไม่สนองมันมันจะมีอาหารกินหรือไม่มี มันก็ผอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ยกำลังมันน้อยลงต่อไปพอเกิดปุ๊บสติเราตัดปั๊บระลึกได้เลยเอาทํามาเออดีเนะาะเมื่อก่อนถ้าอย่างนี้แล้วก็ฉะเลยนะฉะโยมรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้ว่าพอเกิดอะไรขึ้นมันหลุดได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเดียวเดียวระลึกแล้วเรานี่แหมมันไม่เหมือนนักปฏิบัติเอาว่าตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเก่งมาก ยมรู้ตัวเองดีแล้วเออเราไม่เหมือนนักปฏิบัติทําไมเราใช้อารมณ์อย่างในจิตเราเราพูดอย่างนี้มันเหมือนเราไม่มีศีลนี่อริยทรัพย์เริ่มเกิดแล้วนานตมาบอกให้ถ้าใครระลึกได้อย่างนี้เอาเ่ยเริ่มเข้าข่ายจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์แบบมั่นคงมันค่อยๆรู้ไปรู้ไปจิตมันก็ค่อยแต่งมีแต่กุศลเกิดกุศลเกิดกุศลเกิด ธรรมะบอกเราเรายอมรับยอมรับว่าสิ่งที่เกิดรอบตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเยอะแยะไปธรรมดาถ้ายอมรักษาจิตเป็นนะพอสักครู่ผ่านไปยอมรู้เลยรู้สึกปิติใจเออถ้าเราไม่มีธรรมะเมื่อกี้นะเห็นไหมเราคงตกนรกไปแล้วนี่เราไม่ยอมตกนรกก็แสงว่าภูมิของเราตอนนี้ไม่ไปทุกคตินะ แต่มาจริงบอกว่าพิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่าจะตายวันนี้เราจะขึ้นสวรรค์ตอนตายไม่ใช่จิตมันต้องเป็นนางฟ้าก่อนเป็นเทพประบุเทพธิดาก็คือเราดูสีดูธรรมดูจิตของเรานะว่ามันอยู่ในภูมิไหนผ่องใสเบิกบานร่าเริงบันเทิงจิตอยู่สบายพอต่อไปเราเริ่มขูดกิเลสที่เป็นอนุัยเก่า นิสัยเก่าคืนนีใสัยเดิมยมเชื่อไหมทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคนนี้หยาบคนนี้ละเอียดแต่ดูวันไหวมากบางคนวิตกจริตมากบางคนมีราคาจริตชอบสวยๆงามๆเนี่ยชอบมันมีวาสนาแต่บางอย่างมันไม่ดีบางเรื่องตรงนี้ตรงนี้เราต้องขูดอย่างบางคนเอะอก็เสียใจอีกแล้ว ยอมต้องแก้นะจะร้องจนตายมันก็ไม่ได้อะไรหลอกเชื่อเธอไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเรากำหนดรู้เรื่องกรรมแล้วเอาละเรายอมรับแต่ไม่ต้องเสียใจสิพระโมคคลลาใช้กรรมไม่ได้ร้องไห้นะโดนทุบตีเนี่ยไม่ได้ร้องเวทนาเกิดเจ็บปวดอย่างไรไม่ได้ร้อง พวกเราปากหนึ่งก็บอกใช้กรรมแต่บางทีก็โกรธไปด้วยผิดผิดครองธรรมในเมื่อเราชดใช้เราก็ต้องใช้แบบยินยอมทั้งกายวาจาใจแต่เราจะมีธรรมะอยู่กับใจเราอะไรก็ตามเวลาสุขเกิดเราก็มีสติไม่ได้หลงติดในสุขเพราะสาระที่จะต้องทายังมีอีกเราต้องจเจริญในกุศลอบรมจิต ไม่งั้นมาเสียเวลาเอาเสียเวลานะเวลาเราเหลือน้อยจะมายกให้ฟังแต่เบื้องต้นแล้วจะมาถามคำเดียวยมรู้ไหมจะตายวันไหนไม่รู้แล้วจะทำอะไรไม่ว่างไม่ว่ากันตายแล้วไปไหนไม่รู้เอาระวังอย่างนี้คิดเองมันไม่มีอะไรนะ ติดตามเราไปติดตัวเราไปที่เป็นบุญกุศลสุคติจิตมันก็เหมือนมเมล็ดพันธุ์แม้ละจากกายนี้เมื่อไปจุติใหม่เคลื่อนไปปฏิสนธิใหม่มเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็หลงพันอะไรมันก็งอกอย่างนั้นแล้วเราก็มากินรำตรงนั้นเองถึงบอกต่ ม, มาว่าเออคนมีปัญญาเขา พอเขาเกิดปัญญายานหรือธรรมที่ก็เกิดทำไมเขาจึงปล่อยวางอดีตแล้วก็เปลี่ยนผันชีวิตตัวเองดูเหมือนเป็นคนอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟุม่มเฟือยไม่โอ้อวดคิดช่วยเหลือผู้อื่นเขาเริ่มบําเพ็ญประโยชน์แล้วยมรู้เปล่าคนมีคุณธรรมสูงสูงนะไปดูได้เลยต้องเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวไปดูได้เลยใครบอกมีบา ร, รมีสูงๆเนี่ยดูตรงนี้เลยคนนี้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญบ่อยมากเลยบ่อยโดยเฉพาะเป็นผู้ให้หรือผู้เสียสดละหรือผู้บอกแห่งทางปัญญาด้วยและจะไม่ขาดทำตลอดฉนันไอของใหม่ที่จะเข้ามาเป็นเรื่องอกุศลเนี่ย ยกออกเสียเลยส่วนเรื่องเก่าๆที่มีอยู่มานานในภพน้อยใหญ่ตรงนั้นเรก็เรียกว่าถอนอนุใสถอนรากเหง้าอนุสัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ า, อารองเรือนของท่านเราได้เห็นแล้วบัดนี้ท่านสร้างเรือนอีกต่อไปไม่ได้แล้วก็ที่จะทำให้เราไปมีภพที่เคยมีอยู่เรารู้แล้ว กำหนดจนรู้ว่าจิตมันปรุงยังไงแล้วความคิดคิดอย่างไรเราละความคิดแบบไหนจิตนี้ละออกอย่างไรเรารู้นั่นแหละคือวิปษษัสสนาคือสภาพรู้จริงๆรู้จนเขาเรียกว่าเป็นปัญญาญานจนถึงที่สุดปัญญาวิมุตต์คำในสุดยอดนะปัญญาวิมุตต หลุดพ้นด้วยปัญญาเซงว่าปัญญานี้จะเป็นการชำระกิเลสหมดเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเขาจะมีปัญญาเป็นผู้ตัดกระแสได้แต่เราอาจจะไม่เข้าใจบางเรื่องมันยากเกินที่เราจะคิดแต่ท่านทำได้เพราะท่านไม่ปรารถนาพบต่อท่านจึงตัดภพชาติท่านไม่มีเวรใครคิด ร้ายกับท่านท่านไม่คิดร้ายแต่วิสัยของเราในเมื่อเขาทําเรามาอย่างนี้เราก็โต้คืนชะไปเลยเงีย้ยโยมบอกฉันทนแล้วนะทนไม่ไหวแต่ท่านไม่ใช่ทนท่านชี้ว่าเมตตาเมตตาเขาทําอย่างไรมันก็เป็นกรรมของเขาเพอถึงที่สุดท่านไม่ติดในสัตว์บุคคลและกรรมนั้นด้วยนะแต่มาบอกเป็นสิ่งวิเศษมาก ท่านไม่ติดคำว่ากรับแม้แต่ดีชั่วท่านจริงไม่สนองทั้งความเลวและความดีแต่กรรมดีมันก็ให้ผลกรรมชั่วมันก็ให้ผลนั่นเป็นเรื่องของวิถีกรรมแต่เราไม่จาเป็นต้องยึดถือปัญญาสูงสุดแล้วก็ยูนเหนื อ, อยูนเหนือสภาวะแต่มาเคยบอกโยมจาได้รัก ชอบเกลียดชังมันเป็นอารมณ์จิตเย็นร้อนตึงหย่อนมันเป็นการสัมผัสทางกายถ้าเราไม่มั่นหมายมันก็คือรูปนามแต่พอเรามั่นหมายในรูปนามมันก็เป็นตัวตนสําคัญว่าสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราพอทุกข์มากไม่อยากอยู่คิดฆ่าตัวตาย ไม่ใช่ละความทุกข์แตมาบอกนะ่ะมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้มีกองไฟไหนที่ไม่ดับบ้างเมื่อมันเผาเชื้อหมดมันก็ต้องดับเร็วช้าก็ต้องดับทุกอย่างทุกอย่างเพียงแต่สิ่งนั้นมันบีบคั้นเราเท่านั้นเองมันบีบคั้นไงความทุกข์เป็นสภาพบีบคั้นอย่างปวดท้องในทุกไม่ทุกทุกอะไรทุกกาย พอทุกข์กายมากๆเราไม่สามารถกาหนดสีิได้ใจเอาด้วยแยกไม่ออกแต่ถ้าแยกออกกายทุกข์มากเวทนากล้ามันสิ้นได้สิ้นตายได้สิ้นไปตา ย, ตายมันทุกยิงอติเหตุเวทนากล้ามากตายแต่ใจไม่ตายใจมันเกิดแต่ว่ากิดของพระอรหันต์ไม่มีตายแล้ว ใจอันประาศจากพบน้อยใหญ่ก็คืออยู่แบบผู้มีอิสระในพบน้อยใหญ่เป็นชาติสุดท้ายจบคือจบมันเหมือนกับไฟที่ไม่เชื้อหมดแล้วถามว่าเมื่อไฟดับไฟไปไหนไปไหนโยมว่าในเมื่อเชื้อไฟทั้งหมดได้ถูกเผาไหม้หมดแล้วแล้วไฟนั้นก็ดับโดยเหตุและถามว่าไฟนั้นไปไหนตอบเองนะ ไฟนั้นจริงๆมันก็ดับไปโดยเหตุเหตุนั้นจึงดับมันก็จบตรงนั้นไม่มีไปไหนเพราะมันดับเหตุแล้วกิเลสหมดมันก็จบตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกท่านนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้ยังมีเบาบางก็ลดหลังลงมาจนถึงบุรุชนผู้มากด้วยกิเลสอ่ะก็จะมาขอยุติในการใช้เสียง ให้โยมภาวนาดูจิตไปแล้ววันหนึ่งโยมจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วนั่นแหละวิธีจิตที่เราจะเดินสู่มรรคผลแท้จริงก็ขอจเจริญในธรรมโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทิญน